ที่เหมาะกับจริตและวาสนาของเราด้วยซ้าไปซีดีทุกชุดที่ผมอัดเสียงและผลิตเผยแพร่นะครับเพื่อแจกฟรีเท่านั้นเผยแพร่ร้ายแจกต่อกันได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจะไม่อนุญาตก็แค่ห้ามนำไปจาหน่ายหรือค้าหากำไรยกเว้นได้สำหรับชมรมหรือวัดที่ต้องการหาทุนเพื่อไปใช้ในองค์กรโดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ธรรมะ